2.9 จไม่ให้เอาจิตไปสแสวงหาจิตวงเล็บเปิดเจดมกราคม2550ในวงเล็บสองจุดจุดนาทีหนึ่งวงเล็บปิดอย่าเอาตัวบนในวงเล็บผู้รู้ไปข่มตัวล่างวงเล็บเปิดตัวถูกรู้คอมมา่าตัวปรุงแต่งวงเล็บปิดนะต้องไม่ไปข่มมันไว้ปล่อยให้ตัวล่างทำงานเป็นอิสระ แค่มีตัวนี้อยู่เท่านั้นพอเราเอาสติไปข่มนะตัวล่างมันก็ทํางานอย่างที่เราต้องการเหมือนเราบังคับไว้พอเราไม่ได้บังคับตัวนี้ก็ทํางานอิสระไปตามความเคยชินของมันรวมความก็คือทํางานไม่เลิกหรอกจริงๆแล้วก็คือขันแต่ละขันทํางานไปอันนี้เป็นตัวรู้ใช่ไหมเป็นคนรู้อันนี้เป็นตัวปรุงแต่งตัวรู้ก็ทําหน้าที่ของตัวรู้ไปตัวปรุงแต่งก็ทําหน้าที่ของตัวปรุงแต่งไปอย่างนี้ใช้ได้ไม่แทรกแซงกัน แต่ถ้าภาวนาผิดก็จะเอาตัวรู้ไปแทรกแซงตัวปรุงแต่งไปบังคับมันฉะนั้นต้องไม่ไปบังคับมันนะปล่อยให้มันทํางานไปหลวงพ่อนะัภ า, นาภาวนาเหมือนอย่างของคุณมันตั้งขึ้นมาแล้วเกิดสงสัยว่าจะดูตัวไหนดีถ้าดูคําสอนของหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตน่าจะไปดูตัวรู้ใช่ไหมหลวงปู่ดูลก็บอกไม่ให้เอาจิตไปแสวงหาจิตไม่ให้เอาผู้รู้ไปแสวงหาผู้รู้เอแต่พระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุก ทุกอยู่ข้างล่างรู้สึกไหมข้างบนดูไม่ทุกถ้าฝั่งพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุก์ก็น่าจะรู้ข้างล่างถ้าไม่สอนขัดแย้งกันจริงๆเคยสงสัยอย่างนี้แล้วก็ขยับจะถามตั้งแต่หลวงปู่ดูล น, นะก็ไม่ถามเอาไว้ดูขยับจะมาถามหลวงปู่เทศก็ไม่ถามเรื่อยมาเลยจนองค์สุดท้ายมาเจอหลวงปู่สุวัสด์ก็ขยับจะถามว่าจะเอาอันไหนดีเสร็จแล้วไม่เอาเอาไว้ดูเองถึงได้พบอันหนึ่งว่าถ้าเราไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้ก็ผิดนะ เอาผู้รู้มาเพ่งใส่สิ่งที่ถูกรู้ก็ผิดอีกนะถ้าปล่อยให้เขาทํางานต่างคนต่างทํางานเป็นอิสระแก่กันไปแค่เห็นว่าขันมันแยกออกมาจากกันแล้วมันทํางานต่างคนต่างทําไปตามหน้าที่ของแต่ละขันไม่ก้าวไก่กันก็ดูไปอย่างนั้นแหละแล้วจะไปบังคับอะไรกันคือเวลาตัวรู้หายไปเป็นตัวหลงไปจิตใจมันก็ทํางานไปตามเคยชินคืออนุใสกิเลสเคยโมโหกระทบอะไรนิดก็โมโหขึ้นมาอะไรอย่างนี้ มันก็เป็นไปตามความเคยชินทีนี้ถ้าจงใจตั้งตัวผู้รู้เอาไว้เนี่ยเหมือนกิเลสไม่ยอมทำงานไม่ดีนะไม่ใช่ดีนะเป็นการไปข่มเอาไว้ตอนนี้รู้สึกไหมใจเราไม่ปกติรู้สึกไหมนั่นแหละเพราะเอาตัวผู้รู้ไปข่มตัวถูกรู้นั่นแหละอะไรผลักดันให้เราตั้งตัวผู้รู้เอาไว้ละ่ะโลภะนะกิเลสเกิดขึ้นแล้วเราไม่เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นเราก็ไปตั้งตัวผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็เอาตัวผู้รู้ไปดูตัวอื่น ดูผู้แสดงมันจงใจปฏิบัตินั่นแหละแล้วตัวอื่นๆแสดงไตรลักษ์ยกเว้นตัวผู้รู้มีหลายคนนะภาวนาแล้วมาสู่จุดนี้เมื่อก่อนมีพวกหนึ่งมาหลายคนเลยไปตั้งเอาไว้อยู่อย่างนี้ตั้งสบายอยู่นะตัวผู้รู้นะบอกว่าเห็นไตรลักษ์บอกเห็นแต่ตัวอื่นนะสิไม่เห็นตัวผู้รู้เป็นไตรลักษ์ใช้ไม่ได้นะไม่ขาดหรอกเห็นของอื่นไม่เที่ยงยกเว้นตัวผู้รู้เที่ยงหลวงปู่ล่าผู้เจ้าก้อสอนว่า เครื่องหมายคำพูดเปิดผู้ใดเห็นว่าตัวผู้รู้เที่ยงแล้วก็เป็นมิจฉาทิฐิปิดเครื่องหมายคำพูดให้รู้ทันอย่าไปจงใจตั้งเอาไว้แค่ระลึกถึงความมีอยู่ของมันเท่านั้นแหละแต่ไม่ใช่ไปไประครองเอาไว้แล้วก็กีดก้านมันออกจากสิ่งแวดล้อมรู้สึกไหมเราไปกีดกา้านเอาตัวผู้รู้ออกจากสิ่งแวดล้อมเราดูมันทําไม่ได้ทําอะไรเห็นไหมใจลึกๆอยากทํารู้สึกไหมนั่นแหละตรงนั้นแหละมีปัญหาการปฏิบัติไม่ใช่ให้ทําอะไร แต่ให้ดูกายดูใจเขาทำงานของเขาไปรูปก็ทำหน้าที่ของรูปไปเช่นหายใจเข้าหายใจออกยืนเดินนั่งนอนของเขาไปคูเหยียดไปเวทนาก็ทำหน้าที่ของเขาสุขทุกข์เฉยๆไปเวทนาทางกายก็มีแต่สุข ก, กับทุกข์เวทนาทางใจมีสุขทุกข์เฉยๆสัญญาก็จำได้ จำทางตาจำทางหูจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโผฏฐัพพะจำอารมณ์ภายในสังขารก็ปรุงดีปรุงชั่วไปจิตก็ทำหน้าที่รู้ไปรู้ทางตาแล้วดับรู้ทางหูแล้วดับไม่ต้องไปตั้งตัวผู้รู้ทางใจเอาไว้คงที่ตั้งแรงไปตัวผู้รู้ก็คือจิตคือใจของเรานั่นแหละแต่ว่าไปทาหน้าที่เป็นตัวผู้รู้ซะหรือบางทีมันก็ทาหน้าที่เป็นตัวผู้หลงก็คือจิตนั่นแหละทำหน้าที่อย่างนั้น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 คนที่เคยฝึกทางสมถยานิคมามันพร้อมที่จะตั้งตัวนี้ขึ้นมาหลวงพ่อแต่ก่อนก็ตั้งแต่ตั้งเสร็จแล้วใจ ม, มันมัวสนใจเห็นโน่นเห็นนี่นะมัวศึกษาไปไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เวลาทำความสงบถึงกลับมาอยู่กับผู้รู้เวลาปกติก็ใช้จิตทำงานปกตินั่นเองตามรู้ตามดูภาวนาไม่ได้ฝึกเอาดีไม่ได้ฝึกเอาสุขไม่ได้ฝึกเอาสงบแต่ฝึกเอาความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับ ฉะนั้นถ้าไปภาวนาจนมีตัวหนึ่งไม่เกิดไม่ดับนี่อันตรายนะมันจะพอกพูนมิจฉาทิฐิอย่างหลวงปู่ล่าบอกจะเห็นว่าผู้รู้นี้เที่ยงก็จะเป็นมิจฉาทิฐิที่จริงผู้รู้ก็เกิดดับนะสังเกตไหมมีผู้รู้ได้ก็มีผู้หลงได้นี่ต้องดูอย่างนี้นะเวลาภาวนาถ้าเราเข้ามาถึงตัวผู้รู้นี่มันจะเข้ามาอย่างนุ่มนวลมันวางสิ่งภายนอกมันรู้แจ้งแล้วมันค่อยทวนเข้าหาผู้รู้เอง ไม่ใช่อยู่ๆเราก็ไปตั้งตัวผู้รู้เอาไว้ก่อนแล้วไปดูสิ่งภายนอกในความเป็นจริงก็คือให้เราเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดดับไปพอจิตเข้าใจสภาวะมันวางสภาวะมันทวนกระแสะเข้ามามันทวนเข้ามาอยู่กับตัวผู้รู้ก็อยู่สบายๆนุ่มนวล น, นี่ตรงนี้หลวงพ่อไปเจอหลวงปู่ดูลนครั้งสุดท้ายสามสิบหกวันก่อนท่านมรณภาพไปถึงนะไปถามธรรมะท่านอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ถามไม่มากหรอก ถามว่าที่ทำอยู่ถูกไหมไม่ถูกจะทำอย่างไรถ้าถูกแล้วจะทำอย่างไรถามอยู่แค่นี้แหละท่านก็บอกว่าถูกแล้วทำต่อไปดูไปห้ามไปทำอะไรมากกว่ารู้นี้ให้ทำแค่นี้แล้วท่านก็เทศจิตคือพุท ธ, ธะบ้างอะไรบ้างว่าไปเรื่อยๆจนท่านเหนื่อยแล้วก็สักทุ่มกว่าสองทุ่มหลวงพ่อเห็นท่านหอบเลยนะหลวงปู่ผมจะกลับแล้วหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วบอกยังกลับไม่ได้จาเอาไว้นะ เครื่องหมายคำพูดเปิดพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงปิดเครื่องหมายคำพูดแต่ว่าผู้รู้ตัวนี้ไม่ใช่เราไปตั้งเอาไว้แบบนี้มันจะรู้อารมณ์ทั้งหลายแล้ววางวางไปมันจะทวนกระแสะเข้ามาถึงตัวผู้รู้เสร็จแล้วตัวผู้รู้นี้จะอ่อนโยนนุ่มนวล น, นะไม่แข็งหรอกอ่อนโยนนุ่มนวลเบาสบายมีแต่ความสุขล้นล้วนอยู่อย่างนั้นแหละทีนี้ถ้าไม่เคยฟังว่าตัวผู้รู้นีบ ก็เป็นตัวที่ไม่เอานะเราก็จะเอาตัวผู้รู้เพราะมันมีความสุขรู้สึกไหมเราปฏิบัติเราจะเอาเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะรู้ความจริงแล้ววางเราฝึกเพื่อจะเอาให้รู้ทันนะกิเลสมันจะหลอกเอา